ต้องให้เข้าใจเหมือนอุปมาเหมือนคนเราลงเรือลำเดียวกันเออข้ามไปสู่ฝั่งโน้นอา้าวพอดีไปถึงคลื่นลมแรงกระทบเรือ<ม>นายท้ายเรือเขาประกาศบอกให้ทุกคนตั้งใจ อยู่นิ่งๆอย่าเคลื่อนไหวไปมาอย่าสะดุ่งหัวรู้อะไรเต่าไะไเคลื่อนไปเพราะถ้าหากปลักตื่หัวปัวระโวยไว้ไปแล้วเดี๋ยวก็เรือจมเมื่อเขาประกาศอย่างนี้แล้วคนผู้นั่งไปในเรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเขา มันก็พากันจมน้ำตายลงในกลางแม่น้ำนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละใกล้ยเรือก็คือครัาอาจารย์ซึ่งเป็นผู้นำในทางปฏิบัติมเมื่อครัาอาจารย์แนะนำอย่างไรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะว่าทุกคนนั่นแะ ม, นมันต้องมีความเคารพต่อครูอาจารย์เป็นที่ตั้งถ้าใครไม่เคารพแล้วไม่ทำตามที่ครูอาจารย์แนะนำแล้วก็ทำกีกันไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมนเะเหมือนอย่างนายท้ายเรือเขาประกาศให้นิงน่งๆอย่าไว้ติ้อย่างนี้ กัวตายดินกระซับกระใสน่อยนั้นก็เลือจก้ม อ, อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยใครก็อยากมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงบอกใครก็อยากจกไม่ให้ใครล่ำหน้าในความเป็นอยู่แล้วก็ไม่รวมรวมหัวกันไม่ได้อย่างนี้นะ พูดจากันไม่รู้เรื่องนี้เช่นนี้แล้วมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เลยถ้าถึงอยู่ร่วมกันได้การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เจริญนะถ้าเกิดขัดแย้งกันอยู่นะั้นไม่เจริญเลยเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวลงทุกคนวางตัวลงต่อธรรมต่อวินัย ต่อคําสอนของอุตติเจ้าอย่าไปถือนู่นถือนี่อะไรวางลงว่าเราจะพยายามปฏิบัติให้ตรงตามคําสอนของอุตติเจ้าอย่างนี้นะอืมให้วางตนลงอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติตรงตามคําสอนอุตติเจ้าแล้วใครจะสรรเสริญใครจะนินทาว่าไรก็แล้วแต่อืม ผู้รู้ทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นนะไม่วัมไว้ถ้ากรวดูตัวเองนะเห็นว่าตนเองมีปกติประพฤตถูกทางอยู่ไม่ได้ผิดทางอย่างนี้นะเมื่อเป็นชนีเจ็่อนไว้ทำไมนะใครจะสารเส้ น, นินทาก็แล้วแต่เรื่องเพราะว่าเรื่อง ทะเสือะนินทานี่มันมีมาตะดึกดำบันนะนินทากาเลยเหมือนเท น, าน้าไม่ชอกชํำเหมือนเอามีดมากรีดหินแต่พระปฏิมาก็ยังราคินะณ น, นมนุษย์เดินดินจะสิ้นคนนินท า, าท่านจึงผูกคำกรรมาอย่างนี้นะเรื่องนะเราก็ต้องพิจารณาดูเอา ความสคัญอยู่ที่ว่านี่แหละเราเราดีแล้วหรือยังอ่ะเราทําดีหรือยัง่ะออสําคัญตรงเนี้เมื่อพิจารณาเห็นว่าตัวเองทําดีอยู่แล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องหวั่นไหวเลยถ้าตนเองยังบกพร่องอยู่บางสิ่งบางอย่างก็เรื่องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่นั้นแหละไม่ต้องไปโทษคนที่เขาติหินนินทาเอก็ไดะ อ๋อเขาติเราเนึ่ว่าเราทําไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อรู้ตัวว่าไม่ดีแล้วก็พยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น อ, อ่เช่นนี้ละมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะเมื่อตนทําดีเข้าไปแล้วมันก็มันก็ดีเท่านั้นเองนะเรื่องไม่ดีทั้งหลายมันก็หายไปอืม แต่เรื่องความถือมั่นนี่แหละอั น, นสำคัญนะถือมั่นในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วดีชั่วอย่างไรมันก็ดับไปแล้วมันยังพื้นเอาคืนมาอยู่นี่พื้นเอาคืนมาเท่าไหร่มันก็ไม่มันก็มีเท่าเดิมนะอะ มันก็ไม่มากไม่น้อยเท่านั้นนี่แหละความยึดถือให้เชรื่องเกตดโดนที่จริงเรื่องนะมันดับไปแล้วเมื่อใจเราไม่สนกับมันแล้วไม่นึกพื้นมันคืนมามันก็ไม่มีเลยเืองการปฏิบัติขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าไปเอาเรื่องอดีตมาวิตกวิจาน อย่างนู้นอย่างนี้คนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้อะไรต่ออะไรมันย้าอย่ายไปย้ํนมันเลยอืมการที่ว่าผู้นั้นดีอย่นั้นผู้นี้ไม่ดีอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องอดีตทั้งนั้นแหละเรื่องอดีตล่วงมาแล้วแต่จิตใจของผู้นั้นมายึดถืออยู่อออย่างนั้นเราคนจะไปยึดถือ ถ้าไปยึดถืออยู่นะั้นมันก็ไม่จบสักทีเลยเรื่องมันนะความดีความชั่วทั้งหลายความดีก็ไม่ต้องยึดถือความชั่วก็ไม่ยึดถืออันที่มันเป็นอดีตลงมาแล้วนะไอความดีนั่นนะ่ะแม่ทามาแต่ในอดีตพอดีมันก็มาอยู่ที่จิตอันเป็นปัจจุบันนี่เอง มันไม่ใช่ไปอยู่ในอดีตนั่นนะเนี่ยก็เรามารู้จิตตัวเองปัจจุบันนี้ว่าจิต ด, ดีอย่างนี้จิตได้ฝึกผลให้ดีมาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็มารู้อยู่ปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ไปจะไปอ้างเอาอาดีตลงมาแล้วนันไม่ไม่ได้มันดับมาแล้วหมดนั้นนะ่ะแต่ความดีที่ทำํำมาแต่ก่อนนั่นน่ะมันมารวมอยู่ที่จิตอันเป็นปัจจุบัน มันไม่สูญหายไปไหนหมายความว่าอย่างนั้นมเมื่อเรามองเห็นว่าความดีคือบุญกุศลหรือคุณธรรมเนี่ยนี่นจะเป็นสิ่งที่พาเราให้พ้นทุกข์ไปได้ความชั่วไม่ใช่จะนำเราให้พ้นทุกข์ไม่จะพาไปสู่ทุกข์อย่างเดียวรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดเอาความชั่วไปปัจจุบันก็ไม่เอาอาดีตร่วงมาแล้วก็ไม่ยึด ไว้ความชั่วในปัจจุบันนี่ก็กำห น, น, น, น, นดละทิ้งไปเลยให้เหลือแต่ความดีอยู่ในใจความดีคืออะไรความดีความดีก็กคือจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุลตั้งมั่นต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นะ จิตใจที่ประกอบไปด้ยวยเมตตากรุณาเอปาถนาให้กทั่งร้ายเป็นถูกทั่วหน้ากันไม่คิดอิจฉาเบียดเบียนใครแม้ใครจะมาเบียดเบียทนตนตนก็ให้อภัยไปอืมในละจิตที่เป็นธรรมจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะจิตที่เป็นบาปนั้นมันยึดมาในความโกรธเพาะไม่พอใจ นึกถึงแต่คนที่น่าเกลียดน่าทั้งมาเวลาใดก็ใจขุนเข้าไปไอ้อย่างนี้นี่ว่ามันยึดเรื่องชั่วมาไว้ไม่ใช่เป็นของดีอ่ะมันชั่วเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวแล้วก็ละเว้นมันไปละทิ้งมันลยถ้ามันยังเหลือแต่กิจใจที่เป็นธรรมอยู่ในปัจจุบันนี้ เรียกว่าใจไม่อิจฉาไปยั่วบาทเบียดเบียนใครใครจะเบียดเบียนตนตนก็ให้อภัยตนก็ไม่ถือโกรธเลือกอดีตร่วงมาแล้วจะไปพื้นเอามาพูดกันสิ่งต่มันร่วงไปแล้วมันก็แล้วไปเลยเว้นแต่เรื่องดีบางสิ่บางอย่างที่เราจะต้องพื้น ลองจาเอามาพูดกันอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรไอ้ความชั่วแล้วมไม่ควรฟื้นฟูเอามาพูดมันเลยปล่อยให้มันไปตามลมตำแรงไปตั้งกันก็แล้วเรื่องกันไปพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังอย่างนี้นะอทรงสอนพุทธบริษัทไทยปฏิบัติตามทรงมุ่งอย่างนี้ให้เข้าใจ เพราะว่าความยึดถือนี่นะมันทำให้คนทำกรรมดีกรรมชั่วมาในสงสารขนาด น, นับชาติไม่ทวนเลยกรรมดีก็อำนวยผลให้เป็นสุขไอ้กรรมชั่วก็อานวยผลให้เป็นทุ ก, ก, รร ก, ทกข์คราวใดกรรมดีให้ผลก็มีความสุขไปคลาวใดกรรมชั่วให้ผลมีความทุกข์ไปเป็นโยงนี้แหละที่ร่วงแล้วมานะแต่ละคนนะ่ะ คอยเข้าใจควรจะเบื่อหน่ายมันก็เนื่องมาแต่กรรมชั่วนี่เองเนี่ยมันน่วงเหนียวชีวิตไวมันทำให้ชีวิตก้าวหน้าไปสู่ความตกความเจริญไม่ได้เพราะมันคาความชั่วเนี่ยก็เคยพูดให้ฟังอยู่ไว้บ่อยคอยเข้าใจความชั่วที่ตนสร้างขึ้นมาบ้าง แล้วคนอื่นสร้างมากระทบกระทั่งกับตนบ้างหมูนี่นะให้เข้าใจใครสร้างขึ้นมาก็ตามตนสร้างขึ้นมาคนอื่นสร้างขึ้นมาเราก็ไม่ยึดถือเอาไว้เมื่อรู้แล้วก็กำหนดละมันไปเลยถือเอาปัจจุบันเป็นหลักปัจจุบันนี้เรา มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วอย่างนี้ก็แล้วก็รักษาความดีของตัวเองไว้รักษาจิตดวงเดียวนี้เท่านี้เองแต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตนี้อย่าให้มันโลภอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันหลงอย่าให้มันมัวเมาให้มันตื่นตัวอยู่เสมอนี่นะ ตื่นตัวว่าไม่มีอะไรอ่ะเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายเท่านี้คนตวนัวันนี้ยิ่งอายุสั้นอืมมันก็ใกล้จะตายกันทุกคนะนะะอมืมาอยู่ในวัดตัวอารามนี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้อยู่ไปนมนานอะไรอ่ะอืมนั่นแหละเราสั่งสมเอาความดีไว้ในใจถ้าให้เต็มที่เลยตายเมื่อไรก็แล้วไปอย่างนี้นะ บำรงจิตให้รู้จริงเห็นจริงเข้าไปให้ได้จุดจุดมุ่งหมายแนะท้เราก็คือความรู้จริงนั่นเองเนี่ยการที่เราทำบุญกุศลทำความดีอะไรต่างๆ้ะ น, นะหมู่นี้นะบุญกุศลความดีอะไเนี่ยมันหลอมหล่อเข้าไปในจิตใจนั่นนะมันทำให้ใจเกิดความรู้ยิ่งขึ้นได้ จุดมุ่งหมายแท้จริงตรงนี้เองนะอก็เพราะความไม่รู้จริงนี่แหละมันจึงทำผิดบ้างทำถูกบ้างไปได้สงสารนี่นะความที่เป็นผู้ไม่สามารถจะคัดเลือกจากฝันว่า ความดีคืออย่างไรความชั่วคืออย่างไรเป็นผู้คับเลือกไม่ได้เมื่อคับเลือกไม่ได้มักกวละมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราคัดเลือกด้วยปัญญาเข้าไปดูจิตตัวเองนะเพราะว่าดีหรือชั่วอะไรมันก็เกิดขึ้นที่จิตตั้งอยู่ที่จิตนี้เองถ้าหากว่าควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วเพ่งดูความคิดความนุกความรู้สึกของตัวเองอย่างว่านี้นะ ยอมรู้ได้เลยนะทุกคนรู้ตัวเองได้เออตัวตนเองมีความเผินผิดอยู่หรือมีความเนถูกอยู่ยังไงมันรู้เองแหละมบบนี้นะเปย่งนั้นหรือว่าตนเองยงมันคล่องอยู่ในกิเลสอะไรเป็นอย่างานั้นเมื่อก็รู้สิ ถ้าวินัยไถตัวเองอยู่เสมออย่างนี้มันกรู้อรู้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้คอยเข้าใจถ้าผู้ไม่ปฏิบัติแล้วก็มันก็ไม่ปัฒนาที่จะคัดเลือกอ ดีมาถึงก็เอาชั่วมาถึงก็ยึดเอาไว้เนี่เรียกว่าผู้ไม่ประสงค์ที่จะกำจัดความชั่วออกลับตัวมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมั้งนะทีแรกเราก็ต้องเราก็ต้องรู้รู้สมมุตกิก่อนนะเพราะว่าดีก็สมมติชั่วก็สมมุติจิตมันยังหลุดพ้นต่อสมมุตินี้ไม่ได้ ดังนั้นเราจาเป็นต้องเอาสมมุติทั้งสองอย่างนี้มาวิเคราะมาพิจารณาให้มันแจ่แจ้งในงานเรื่องมันอันสมมติฝ่ายชั่วนี่บุคคลใดยึดมั่นหรือมั่นแล้วผู้นั้นมันก็ทาชั่วพูดชั่วไปตามสมมติชั่วนั้น สมมุติฝ่ายดีผู้ใดามายึดใกล้ฝ่ายดีเป็นอารมณ์อยู่มันก็ทำดีพูดดีไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่สมมติทั้งนั้นแหละมันไม่สมมติยังไงลนะ้วมันจะมีอะไรอยู่นีนโลกอันนี้ลองดูสิอย่างว่าต้นไม้อย่างนี้มันว่ามันเป็นต้นไม้หรือไม่ คนไปสมมติไขึ้นตักถ้าหากว่าไม่ว่าต้นไม้จะแล้วมันก็เป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมกันอยู่เท่านั้นเองต้นไม้อันนั้นนั่นะท่านก็เรียกว่าสังขารคือสภาพที่ถูกสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมา นั่นแหละสภาพที่ถูกปรุงแต่งให้เจริญขึ้นเป็นอย่างนั้นคือว่าพระเุทธเจ้าจึงสอนให้เราละจากสมมุติแล้วให้ดำเนินไปในทางปรมัถิเพื่อจะได้ละสมมุตินั้นเมื่อละสมมุติได้แล้วมันก็เป็นธรรมมาดีนะ เออทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นธรรมทางนั้นเลยเป็นธรรมชาติหมายความว่าอย่างนั้นเออเป็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรพรวนไปก็แตกดับไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็แปรพรวนแตกกลับไปเป็นอยู่อย่างนี้ลโลกธรนิวัต์อันนี้นะขอให้เข้าใจ ต้นไม้ใบหญ้าก็ดีคนสัตว์ก็ดีมันมีเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแตกมีดับไปสุดท้ายบัณฑิการภาวนานะพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังที่จะให้ผู้ภาวนาทั้งหลายนะั้นใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองให้ละสมมุรรติบัญญัติต่างๆเหล่านี้ลง อย่าไปยึดเอาสมมติบัญญัติทั้งหลายไว้แต่ว่าให้เป็นการละสมมติบัญญัติภายใน จ, ใจิตใจของตัวเองมมตแต่ละคนละคนเท่านั้นแต่ส่วนภายนอกแล้วเรื่องสมมติบรญญัติเราก็เอามาใช้กันอยู่นั่นแหละใช้กันไม่ใช่ก็ไม่รู้เรื่องกันแต่เมื่อภาวนาเขาไปถึงขั้นนั่นแล้ว มันไม่ไม่มีสัตไม่มีบุคคลมันมีแต่สภ า, าสวธรรมสภาวธรรมอิงอาศัยกันอยู่เมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองนี่แหละแล้วไม่มีสัตไม่มีบาาุคคลน่ะแล้วใครจะเป็นผู้รู้หใครเป็นผู้รู้สภาวธรรมสภาวธรรมเรานั้นนะ นันแมันมีปัญหาตรงนั้นแหะก็ดวงกิจนี่แหละดวงกิจนี่ก็เป็นสภาวธรรมอันหนึ่งหมายความว่างั้นแต่มันมีประสิทธิภาพกัวสภาวธรรมอื่นๆให้เข้าใจางั้นเมื่อพูดให้ดีแล้วมันสามารถกําหนดรู้สภาวะธาตุสภาวธรร ม, รรรมที่ต่างที่บังเกิดขึ้นแล้วแปรพลัแตกดับไปอยู่ในโลกอันนี้ มันสามารถกำหนดรู้เท่าได้รู้แจ้งได้ไม่ยึดไม่ถือเอาสภาวธาตมสภาวธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนถ้าจิตที่ไม่ได้ฝึกผล ใ, ให้สงบให้ตั้งมั่นโดยดีแล้วมันมันจะรู้ความจริงของสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้เลยมีแต่ันรู้ไปตามสมมุติบรญญัติของโลกเท่านั้นเองนะ เห็นนั่นนะคนส่วนมากท่านมาฟังทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แล้วเดือดร้อนอืมจิตใจมันยังไม่ถึงอันนี้เราพูดกันโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมถ้าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมแล้วเราก็พูดไปอีกเรื่องหนึง่งอืมมันไปอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นให้ผ่ากันเข้าใจอืม อย่าให้ขาดทุนที่เรายอนสละลูกหลานบ้านช่องมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะจุดปุ่งหมายก็อยู่ตรงนี้หวางั้นให้เข้าใจรวมความแล้วว่าอยู่พยายามรักสมมุติบันยะต่างๆในโลกนี้ความประสงค์นะของการปฏิบัติธรรมนั่นเอง เป็นขั้นสุดท้ายหมายความว่างั้นเมื่อเราภาวนาลงไปนะที่จารณาธาตุขันธ์อะไรผงคขนและพันนังเนื้ออวออิวาโนยใหญ่ทั้งหลายตรเนีก้กระจายออกไปดูแล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นฐานไม่มีอะไรอยู่นานปีนานเบือนนานวันไปก็มีแต่ทำรุดสุดโทมไปเท่านั้น นี่แหละเลือกสมมุติบัรยัติตัวนี้มันไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเขาต้อนใจตัวเองเขา้าฉะนั้นอย่าไปสําคัญเป็นของเราของเขาให้ตั้งจิตอย่างนี้ทําความรู้ต่อตัวเองอย่างนี้พยายามทําความรู้ต่อตัวเองนี่เสมอเสมอไป มันไม่เป็นอย่างว่านี่เนละคนส่วนมากนะเวลาฟังธรรมเข้าใจได้อยู่เวลาไปภาวนาก็พอเข้าใจได้อยู่แต่ออกจากภาวนามาแล้วสิแบบนี้นะีมันรักษาความรู้อะไรวว้อย่างไม่ได้ อ, อืนะเนี่ยพอออกจากภาวนามาแล้วมันก็ยังมาถือเขาถือเราอยู่ทํามเดิมอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้ เรื่องมันให้เข้าใจมันต้องรักษาความรู้อันนี้ไว้ในใจเสมอทางที่ไม่ได้นั่งภาวนาสมาธิก่อตั้งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาอะไรก็กำหนดรู้สภาวธรรมสภาวิชช า, า, าเหล่านี้อยู่คื็ของแต่เป็นของดับไม่ใช่ของใครกำหนดรู้อยู่นี้เสมอไป อันนี้แหละมันโด่พ้องอยู่เป็นส่วนมากให้พากันเข้าใจเหตุแต่มันจึงเกิดความวุ่นวายขึ้นมามถ้ามันรู้กันมันเข้าใจกันอย่างว่าอันนี้แล้วไม่ไม่มีใครไม่มีใครทะเลาะกับใครล้เพราะว่าจิตใจของอแต่ละบุคคลอยู่อยู่ด้วยวิหารธรรมคือความจริง ความจริงอะไรว า, ม, วามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอาศัยธาตุขันธ์อันนี้อาศัยธาตุขันธ์อันนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นจากสมุติปัญญิเหล่านี้เท่านั้นเองเ ม, อเมื่อเราทำาำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้แล้วก็จะไปยินดียิน้า่กับสิ่งทั้งต่างทำไม น, นนี้อนี้อืม ไอ้เรื่องที่น่ายินไล่ามากกะทเท่าข้าก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรื่องดีเรื่องชั่วมันมีอยู่ในโลกมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ในแต่ละมันยังมีอยู่เนี่ยเนี่ยเราฝึกจิตนี้ให้รู้เท่าดีชั่วของโลกอยู่งเนี่ยใครแสดงบทชั่วออกมาเราก็รู้ใครแสดงบทดีออกมาเราก็รู้เราไม่ยึดเอาทั้งนั้นเลยทั้งดีทั้งชั่ว เรื่องผันอ้องแล้วเราเอาดีอะไรหัวใจตัวเองนี่ใจตัวเองดีแล้วใช้ได้เลยขอให้ทำใจอย่างนี้เสมอเสมอไปแล้วก็การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเออก็ขอให้พากันเจริญ โดยคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแนะนำสั่งสอนมานี้